สองพิมพ์พิสารราชวัตถุว่าด้วยพระเจ้าพิมพ์พิสารจอมทัพมคตราชเรื่องรักษาโรคริดสีดวงทวารของพระเจ้าพิมพ์พิสารจอมทัพมคตราช3ามอสมัยนั้นพระเจ้าพิมพ์พิสารจอมทัพมคตราชทรงประชวนเป็นโรคริดสีดวงทวาร พระภูษาเปื้อนพระโลหิตพวกนางสนมเห็นจึงพากันหัวเราะเยาะว่าเวลานี้พระราชาทรงมีฤดูตอมพระโลหิตเกิดแก่พระองค์อีกไม่นานก็จะมีพระประสูติการเท้าเธอทรงเก้อเขินเพราะคำหัวเราะเยาะของพวกนางสนมทรงเล่าเรื่องนั้นให้เจ้าชายอภัยทราบว่าอภัย พ่อป่วยเป็นโรคฤิสีดวงทาวารถึงกับภูษาเปื่อนโลหิตพวกนางสนมเห็นแล้วพากันหัวเราะเยาะว่าเวลานี้พระราชาทรงมีระดูต่อมาพระโลหิตเกิดแก่พระองค์อีกไม่นานก็จะมีพระประสูติการเจ้าช่วยหาหมอที่พอจะรักษาพ่อได้ให้ทีเถิด เจ้าชายอภัยกราบทูลว่าขอเดชะนายชีวกผู้นี้เป็นหมอประจําข้าพระองค์ยังหนุ่มทรงคุณวุฒิจะรักษาพระองค์ได้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงสั่งหมอชีวกให้รักษาพ่อต่อมาเจ้าชายอภัยได้สั่งชีวกโกมารพัทว่าชีวก เธอจงไปรักษาพระราชาชีวกโกมารพัทรับสนองพระบัญชาแล้วใช้เล็บตักยาเดินไปในราชสำนักเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัฐกราบทูลว่าข้าพระองค์จะตรวจโรคของพระองค์พระพุทธเจ้าข้าแล้วรักษาฤสีดวงทวารของพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครรฐ ให้หายขาดด้วยทายาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น